สอนาคตวานว่าโดยสภาวธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลจักขายัตนามูลกัใน133่งรอมสนุโลมปุชชจฉาจักขายัตนะของบุคคลใดจักดับโสตายัตนาของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมพิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายัตนะของบุคคลใดจักดับ จักขายัตนะของบุคคล น, นั้นก็จักดับใช่ไหมพิจัชนาะใช่อนุโลมปุจฉาจักขายัตนะของบุค ค, คลใดจักดับคานายัตนะของบุคคล น, นั้นก็จักดับใช่ไหมพิจัชนาะป ช, ชิมภวิกรบุคคลผู้กําลังอุบัติในรูปราวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปราวจรภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกําลังจุติ จักขายัตนาของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่คานายัตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้จักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและคานายัตนะก็จักดับปฏิโดมปุจฉาคานายัตนาของบุคคลใดจักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมพิ่จัชนาใช่อนุโลมปุจฉา จักขายัตนาของบุคคลใดจักดับรูปายัตนาของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉารูปายัตนาของบุคคลใดจักดับจักขายัตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดจักดับมนายัตนาและธรรมายัตนาของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาวิจัชนาใช่ ปฏิโลมปุจชาธรรมายตนะของบุคคลใดจักดับจกักหายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาะปัดชิมภวิกบุคคลผู้กําลังอุบัติในอรูปประภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปประภูมิแล้ว ป, ปรินิพานซึ่งกําลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่จกักหายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับ และจักขายัตนะก็จักดับจักขายัตนะมูลกันใยจบคานายัตนะมูลกันในหนอยสามอนุโลมปุจฉาคานายัตนะของบุคคลใดจักดับปรูปายัตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมพิจัรนาใช่ปฏิโลมปุจฉาปรูปายัตนะของบุคคลใดจักดับคานายัตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหม วิจัชนาะปัจจิมภวิกบุคคลผู้กําลังอุบัติในรูปราวจรภูมิได้บุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปราวจรภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกําลังจุติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่คานายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและคานายตนะก็จักดับอนุโลมปุจฉา คานายตนะของบุคคลใดจักดับมนายตนาและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจักดับคานายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาปัชิมภวิกาบุคคลผู้กําลังอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานกําลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับ แต่คานายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและคานายตนะก็จักดับคานายตนะมูลกนัยจบรูปลายตนะมูลกไัยหนึ่งอนุโลมปุจฉารูปลายตนะของบุคคลใดจักดับมานายตนะละธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิโลมปุจฌาธรรมายตนะของบุคคลใดจักดับรูปายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาปัจฉิมภวิกาบุคคลผู้กําลังอุบัติในรูปประภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปประภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกําลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่รูปายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับ และบรูปายาตนะก็จักดับ1 3ึ่งร้อยมสินุลมุตฉามานายตนะของบุคคลใดจักดับธรรมายตนะของบุคคล น, นั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจักดับมานายตนะของบุคคล น, นั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมโอกาสจักขายตนะมูลกันใน 137อนุโลมปุจฉาจะขายยตนะในภูมิใดจักดับละอนุโลมปุกคโลกาดจะขายยตนะมูลกะยนัย138อนุโลมปุจฉาจะขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจชะนาใช่ปฏิโลมปุจฉา โศ ต, ตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปาวจรภูมิละบุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิละ บุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญัตตภูมิและบุคคลผู้บัตรอยู่ในปัญจโวการภูมิละบุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปภูมิและบุคคลผู้บัตรอยู่ในปัญจโวการภูมิละบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญัตตภูมิและอรูปภูมิละบุคคลผู้บัตรอยู่ในปัญจโวการภูมิละจักขายตณมูลกไนจบคานายตณมูลกไนหนึ่ยสาม อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจกดับรูปลายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉารูปลายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจกดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวจรภูมิ รูปาวาจรภูมิและอรูปาวาจรภูมิละบุคคลผู้บัตรอยู่ในกามาวาจรภูมิละคานายตนะมูลกนัยจบรูปายตนะมูลกนนึ่งอยสี่สิบอนุลมุขฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจกดับมานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัตชนา บุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิละบุคคลผู้บัดอยู่ในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในปัญจโวการะภูมิและอสัญญาสัตตภูมิละรูปายตนะมูรกานิยจบ มนายัตนามูลกไานหนึ่งร้อยสีอนุโลมปุจฉามนายัตนาของบุคคลใดในภูมิใดจกดับธรรมายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายัตนาของบุคคลใดในภูมิใดจกดับมนายัตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บัตในสรญยสัตตภูมิละ บุคคลผู้บัตรอยู่ในจตัวการะภูมิและปัญจโวการะภูมธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและมานายตนะก็จักดับในวงเล็บในคําที่ท่านกล่าวว่าบุคคลใดในภูมิใดในอุ ป, ปาทวานอนาคตะปุจฉาท่านขยายให้พิจารณาแล้วฉันใดแม้ในนิโรทวานก็พึงขยายให้พิศดารฉันนั้น ปัจจณีกบุคคลจะขายยตนะหมูลกะนในึ่งอยสี่อนุโลมปุจฉาจะขายยตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับโสตายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายตนาของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจะขายยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับคานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิตัชชาใช่ปฏิโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิตัชชา ปัดฉิมภวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปราวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปราวจรภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกำลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่ า, น, านั้นไม่ใช่จากดับแต่จากขายาตนะมิใช่จากไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวกา ร, รภูมิปัดฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกำลังจุติ คานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและจักหายตนะก็ไม่ใช่จักดับอนุโลมปุจฉาจักหายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับรูปลายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉารูปลายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับมานายตนะละธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนะปัจฉิมภวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปประภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปประภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกำลังจุติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่ธรรมายตนะมิใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กาลังปรินิพาน จักขายตนะของบุคคลนั้นไม่ใช่จักดับและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจักขายยตนะของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิตัชนาใช่จักขายยตนะมูลกไนจบคานายต<บ> น, นามูลกไนหนึ่งอยสีมอนุโลมปุจฉา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 ปัดชิมพวิกาบุคคลแนรูปประภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปประภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกำลังจุดติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากดับและรูปายตนะก็ไม่ใช่จากดับปฏิรมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จากดับคานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉา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 บุคคลผู้กำลังปรินิพานคานา PR ยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและธรรมายตนะก็ม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับค า, านายตนะของบุคลบาาบคลเหล่านั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่144อนุโลมปุจฉารูปลายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับมานา PR ยตนะ ธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิวตตชนาะปัจฉิมภวิกรบุคคลผู้กําลังอุบัตในอรูปประภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัตในอรูปประภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกําลังจุติรูปลายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่ธรรมายตนะมิใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานรูปลายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักดับ ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับรูปายตนาของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัตชนาใช่145อนุโลมปุจฉามานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา ธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับมันายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัจจณิกโอกาสจักขายตนะมูลกไน146อนุโลมปุต ช, ชาจักขายตนะในภูมิใดไม่ใช่จักดับละปัจจณิกปุกขคโลกาสจักขายตนะมูลกไนหนึ่งร้ อนุโรมปุจฉั่จะขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับโสตายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโรมปุจฉั่โสตายยตนาของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับจกขายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉั่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 วิตญชาบุคคลผู้บัตรอยู่ใน ส, สธรรยศตภูมิจกขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่รูปายตนะมีใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจวโวการภูมิและบุคคลผู้บัตรอยู่ในรู ป, ปภูมิจกขาดยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและรูปา ย, ต, ยตนะก็ไม่ใช่จักดับ ปฏิโรมป <S <s จุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช anyway. nah <si ่จักด <sh ับจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช uh> like ่จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับมานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปภูมิ จักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในปุ่มนั้นไม่ใช่จักดับแต่มนายัตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานและบุคคลผู้บัตยู่ในอสัญญาัตตภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในปุ่มนั้นไม่ใช่จักดับและมนายัตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉามนายัตนาของบุคคลใดในปุ่มใดไม่ใช่จักดับจักขายัตนะของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจชนา ใช่อนุโลมปุจฉาจักขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับธรรมายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจชะนาบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่ธรรมายัตนามิใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับ และธรรมายตนะก็มิใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับจักขายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่จักขายาตนะมูลกานายัยจบคานายตนะมูลก า, นายนัยหนึออนุโลมปุจฉา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 วิจัชนาบุคคลผู aper, <tout> ้บัตรอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่มนายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและมานายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉา มานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช so ่จักดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บาดอยู่ในรูปาวจรภูมิและรูปาวจรภูมิ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 คานายตนะมูลกนัยจบรูปายตนะมูลกนัย149่รออนุโลมปุจฉารูปลายตนะของบุคคลใดในภูมมใดไม่ใช่จักดับมนายยตนะของบุคคลนั้นในภูมมนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปประปูมมรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่มนายยตนะไม่ใช่จักไม่ดับ บุคคลผู้กําลังปรินิพานรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมิ น, นั้นไม่ใช่จักดับและมานาายตะนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉามานาายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้บาดอยู่ในสัญญาสัตตภูมิมนาายตะนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมิ น, นั้นไม่ใช่จักดับ แต่รูปายตนะมิใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานมานายตะนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมมนั้นไม่ใช่จักดับและรูปา ย, นนปาปายตะนะก็ไม่ใช่จักดับอนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับธรมายตนะของบุคคลนั้นในปูมมนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนะบุคคลผู้บัตอยู่ในรูปปุ่ม รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในปุ่มนั้นไม่ใช่จักดับแต่ธรรมายตนะไม่ใช really. ่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานรูปายตนะของบุคคลเหล่าน anyway> ั้นในปุ่มนั้นไม่ใช่จักดับและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในปุ่มใดไม่ใช่จักดับรูปายตนะของบุคคลนั้นในปูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนา ใช่รูปายตนะมูลกไยนิจจบมนายตนะมูลกไยนิจหออนุโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับพาม า, ายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในสรญยสัญญตต ภ, ภูมิ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 ใช่มานายตนะมูลกไนยจบ